บุ๊กท8แปดสิบสามอดีตกา ร, รสามโทรศพรัพท์ดิฉันโทรศัพท์แล้ว ย่าโทรฟานาว่าลดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมาถามปิดตาดิฉันถามแล้วย่าปิดตลดิฉันได้ถามเสมอ ฉันถามตลอดเวลาเล่าอาพยาดัตดิฉันเล่าแล้ว я ันอาพยาดัลล์ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว я р นเ п ่ в เ л а в с ю ทั้งหมดแล้วพรีนวุฒิ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 Я п р о ц а в а л а весь день. п р а п и а н тан, есть. Дичан тан, лэю. Я е л д и а н тан, д а тан, тан, тан, тан, тан, тан, тан, тан, тан, т а